วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งธรรมที่พระเจ้าสูงสั่งสอนเป็นธรรมที่คนชาวโลกที่ยังรักกับความสุขของทางโลกอยู่นักจะไม่ชอบฟังเพราะว่าเป็นธรรมสอนที่พูดแต่เรื่อง ของความทุกข์พูดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายพูดถึงเรื่องการท้าภายจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไปคนที่ไม่ฉลาดจึงมองศาสนาพูดว่าเป็นศาสนาที่สอนแต่เรื่องไม่เป็นมงคลคือสอนแต่เรื่องของความทุกข์ และวิธีการดับทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดซึ่งมีจำนวนเป็นมากมายหลายหลายกันด้วยกันเป็นหมื่นแปด0มื่นสี่พันเพรารรมขันเป็นคำสอนที่มีเนื้อหาสา เนื้อหาเหมือนกันหมดพ่อองค์ทรงเปรียบคำสอนของพ่อองค์ว่าเป็นเหนือ น, น้ำในมาหาสมุทรที่มีรสเพียงรสเดียวคือรสของความเค็ม ม, ามาหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนจะมากมายขนาดไหนน้ำในมาหาสมุทรทั้งหมดก็มีรสอันเดียวกันคือรสเค็ม ชันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายเพียงไรก็ตามก็จะมีรสอันเดียวกันเช่นกันคือรสคือเรื่องของความทุกข์และวิธีการดับทุกข์ดังนั้นถ้าเข้าหาพระธรรมคำสอนแล้วอยากจะฟังแต่เรื่องอจเจริญหูจเจริญใจ ก็คงจะต้องผิดหวังแต่ถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลด้วยจิตใจที่เป็นกลางก็จะเห็นว่าเป็นคำสอนที่น่าฟังเป็นคำสอนที่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเป็นอย่างมากเหมือนกับโรงพยาบาลและหมอ ที่จะไม่พูดถึงเรื่องอื่นเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอจะพูดแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้และวิธีที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้ให้หายไปคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบไปหาหมอไม่ชอบไปโรงพยาบาลกัน เพราะว่าไปแล้วก็จะต้องไปฟังไปรับการรักษาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่จะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องไปกันทุกคนเมื่อถึงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปต้องไปหาหมอ แต่คนฉลาดนี้เขาจะไม่รอให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วค่อยไปโรงพยาบาลไปหาหมอเขาจะไปก่อนเช่นไปตรวจโรคทุกทุกหกเดือนหรือทุกสามเดือนหรือทุกปีเพื่อจะได้รู้เรื่องหน้าไว้ก่อนว่าร่างกายจะ เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าไปก่อนล่วงหน้าก็จะมีโอกาสที่จะป้องกันหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ให้เร็วทันการกับเหตุการณ์ ถ้าไปหลังจากที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องแบกหามเข้าไปในโรงพยาบาลก็จะอาจจะสายเกินไปคนฉลาดที่เข้าหาพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอก็เช่นเดียวกันก็เป็นเหมือนกับการเข้ามารับการตรวจรักษาโรคของจิตใจก็คือรักษาความทุกข์ ของใจถ้ามาศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆก็จะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตัวเองไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจ เพราะว่านอกจากการที่จะต้องรู้จากวิธีแล้วยังต้องซ้อมวิธีของการดับความทุกข์ใจด้วยเวลาได้ยินได้ฟังครั้งแรกถึงวิธีของการรักษาโรคของความทุกข์ใจแต่การได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอกับการที่จะไปทำให้ โรคภัยคือความทุกข์ใจของใจนั้นหายไปได้จะต้องกลับมาเตรียมตัวฝึกฝนอบรมตนเองให้มีกำลังคือจะต้องรับประทานยาที่ได้รับจากพระพุทธเจ้ามาคือเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไข้ควรต่อ ให้คนแล้วก็นำเอามาปฏิบัติต่อถึงจะสามารถรักษาความทุกข์ใจได้หรือสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาได้ยาของพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาซึ่งมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรกเรียกว่าสุตะมะยปัญญาขั้นตอนที่สองเรียกว่าจินตมะยปัญญาขั้นตอนที่สาเรียกว่าภาวนามะยปัญญานี่คือธรรมโอสถยาดับความทุกข์ใจสุตะมะยปัญญาก็คือปัญญาความรู้ ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราเข้าหาพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้ศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมในสมัยก่อนจะมีแต่การฟังธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะสมัยก่อนไม่มีภาษาไม่มีการเขียนหนังสือคนส่วนใหญ่ ไม่มีการศึกษาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้จึงต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการไปรับยาจากหมอนั่นเองรับคำสั่งจากหมอเวลาเราไม่สบายเช่นเป็นไข้หวัดเราไปหาหมอ หมอก็สั่งให้เอายามารับประทานตามเวลาเช่นวันละสามครั้งและก่อนนอนวันละสี่ครั้งสามสามครั้งหลังจะหลังอาหารและก่อนนอนถ้าเรานาเอายาที่หม อ, อมอบให้กับเรามารับประทานตามคำสั่งของหมอยาก็จะได้เข้าไปในร่างกาย แล้วยาก็จะได้ไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดไข้ขึ้นมาพอเชื้อโรคถูกทำลายไปหมดแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปนี่คือขั้นแรกคือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รับฟังถึงเรื่องของความทุกข์ เรื่องของวิธีการเกิดขึ้นของความทุกข์และเรื่องถึงเรื่องของวิธีของการที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหายไปพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็เอาคาสอนที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาไขาครวนมาคิดอยู่เรื่อยๆมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าถ้าเราไม่นำามามาคา้ครวนมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะลืมไปได้เพราะว่าเรามาีงานการที่ต้องทำแระมีภาร ก, กิจอะไรต่างๆต้องทำที่ต้องใช้ความคิดพอไปใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานทาการ วิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรารู้จักก็จะเลือนลางจางหายไปเราก็จะลืมไปยังต้องกลับมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีวันพระวันธรรมรัสสวนณะขึ้นมาก็คือวันฟังธรรมให้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่จะหยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้เข้ามาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทบทวนเพราะทำคําสอนหรือมารับคําสอนเพิ่มเติมเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีหลายขั้นมีหลายตอนมีหลายาหลากหลายหลากหลายตัวอย่างหรือหลัก หลากหลายข้อมูลที่จะต้องนำเอาไปใช้ในการาดับความทุกข์ใจแล้วพอที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเรานำเอาไปคิดค่ายควรอยู่เรื่อย ๆ, ๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอเวลาเกิดเหตุการณ์คือเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะได้ ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์ใจได้ถ้าเราไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําการบ้านคือไม่ได้ทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนนั่นเองถึงแม้อาจจะไข้ควรอยู่คิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ นำสิ่งที่ใกล้ควรนี้มาปฏิบัติมาพิจารณามาทำถึงเวลาที่จะใช้ธรรมะมาดับความทุกข์ใช้ปัญญามาดับความทุกข์ก็จะดับไม่ได้นี่คือปัญญาสามสามขั้นเป็นเหมือนกับการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเวลาเราเข้าห้องเรียนนี้ เราก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วพอกลับบ้านครูบาอาจารย์ก็ให้การบ้านกลับไปทำถ้าเราไม่ทำการบ้านถึงเวลาที่เข้าห้องสอบเราก็จะสอบไม่ผ่านเวลาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ในห้องเรียนก็เรียกว่าสุตะมะยปัญญาเวลากลับไปบ้าน เอาการบ้านกลับไปทำที่บ้านก็เรียกว่าจินตามายะปัญญาเวลาเข้าห้องสอบก็เรียกว่าปัญญามายะปัญญาดัางนั้นจะดับความทุกข์ได้หรือไม่ได้นั้นจึงต้องดับด้วยปัญญาภาวนาไมยะปัญญาคือต้องเข้าห้องสอบ ความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังและความรู้ที่เกิดจากการไข้ควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองนี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่จะมาใช้ดับความทุกข์ได้เพราะว่ายัางไม่ได้เข้าห้องสอบยังไม่ได้เกิดเหตุยังไม่ได้พบกับเหตุการณ์จริงแต่เวลาเราได้พบกับเหตุการณ์จริงเช่นพบกับความแก่ พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายพบกับการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบจากบุคคลที่รักที่ชอบตอนนั้นเราจะรู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเรายังทุกอยู่กับความแก่ทุกอยู่กับความเจ็บทุกอยู่กับความตายทุกอยู่กับการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบ จากคนที่รักที่ชอบอยู่ก็แสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่านแต่ถ้าเราสามารถผ่านกับเหตุการณ์ต่างๆไปได้อย่างไม่มีความรู้สึกทุกข์เลยรู้สึกเฉยๆเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอันนั้นแหละแสดงว่าเราได้สอบผ่านแล้ว การปฏิบัติของเราการสอบของเรานี้ไม่ต้องมีคนอื่นมาตรวจข้อสอบให้กับเราไม่มีการโกงข้อสอบกันอย่างเด็ดขาดเพราะผู้สอบเองจะรู้เองอยู่ในใจของตนเองว่าตนเองสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านนี่คือปัญญาความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จะ สอนให้สัตว์โลกทั้งหลายสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อยู่เหนือความทุกข์ได้ได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้และป้องกันไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาอีกได้ถ้าดําเนินตามการบําเพ็ญเจริญปัญญา ทั้งสมขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกก็อย่างเหมือนที่พวกเรากำลังมาทำกันอยู่ตอนนี้เรากำลังมาศึกษามาฟังวิธีของการดับทุกขมาฟังเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้แล้วเราก็จะได้ไปปฏิบัติคือไปสอนใจ ให้ละเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้สร้างเหตุที่จะมาหยุดความทุกข์มาหยุดต้นเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าพูดโดยสรุปแล้วก็ง่ายมากมีหัวใจของคำสอนนี้อยู่สี่ข้อด้วยกันเท่านั้น คือให้เรารู้ว่าทุกนี้เป็นอะไรให้เรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกนี้เกิดจากอะไรให้เรารู้จากวิธีที่จะกำจัดความทุกนี้ให้หมดไปให้เรารู้ว่าความทุกที่เกิดขึ้นภายในใจนี้ได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วนี่คือ แก่นของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจแก่นนี้ความรู้สี่ข้อนี้เราก็จะสามารถนำเอาไปเป็นเครื่องมือเป็นแผนที่ที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความ ดับของความทุกข์ทั้งหลายได้ข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักทุก์ว่าเป็นอะไรอะไรคือความทุกข์ความทุกข์ในพระพุทธศาสนาก็คือการเกิดการแ ก, ก่การเจ็บการตายการพัดภากจากสิ่งที่รักที่ชอบไปการพบกับสิ่งที่ไม่ชอบ ที่ไม่รักไม่ชอบไม่ปรารถนาการยึดติดอยู่ในขันห้าคือในชีวิตจิตใจของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายที่มีอาการสาสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเวทนาก็คือความรู้สึก ความรู้สึกุกรู้สึกสุขรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถพะที่ได้สัมผัสรับรู้วิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผุดถพะสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดไปต่างๆนานา คิดไปในทางความอยากหรือคิดไปในทางความไม่อยากหรือคิดไปในทางปล่อยวางเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นความทุกข์เพราะว่ามีความอยากความอยากนี้ก็คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เช่นอยากเกิด เพราะที่อยากเกิดก็เพราะว่ายังอยากมีความสุขกับการเสพสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายการที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องมีการเกิดมีร่างกายเกิดขึ้นมา ผู้ที่มีความอยากก็จะหาร่างกายมาเกิดเวลาที่มีการสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาเช่นเวลาที่มารดาตั้งครรภ์ตอนนั้นก็จะมีใจที่ไม่มีร่างกายเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของเพราะอยากจะได้ร่างกายอยากจะใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือ กับการเสบลูกเสียงกลิ่นลดปวดทพะพอคลอดออกมาก็ใช้ร่างกายนี้สแสวงหาลูกเสียงกลิ่นลดปวดทพะชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันแก่วันเจ็บวันตายพอถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตายก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะว่า ใจไม่อยากที่จะให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายไปเพราะถ้าแก่เจ็บตายแล้วจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเองแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่จะต้องสูญเสีย พัดพลาดจากสิ่งของและบุคคลที่รักที่ชอบไปเพราะสิ่งของและบุคคลที่รักที่ชอบก็คือรูปเสียงกลิ่นโน้นผลทพะที่รักที่ชอบที่ที่ใจเสพอยู่หาความสุขอยู่นั่นเองพอสิ่งที่ที่ใจเสพใจได้รับความสุขต้องพัดพลาดจากไปต้องดับไป ก็เกิดความอยากไม่ให้ดับความอยากนี้จึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนว่าต้องหยุดความอยากต้องอย่าไปมีความอยากเช่นอย่าไปอยากเสพรูปเสียงกินรสปวดท่าพะ ถ้าสมมุติว่าชาตินี้สามารถหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏพลาได้ชาติหน้าก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบจากบุคคลที่รักที่ชอบไปก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือว่าถ้ามีร่างกายแล้วถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจเหมือนกันถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าใจไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะไม่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่อย่างใดเพราะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดที่ ความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์การที่จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิต้องมีสติต้องมีศีลมีทาน เพราะว่าการที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้ต้องมีสมาธิการที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติ ม, มีศีลการที่จะสร้างให้มีศีลเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีทานทานศีลสติสมาธิปัญญาจึงเป็นเหมือนกับขั้นบันได ที่เราจะต้องไ ต, ต่เต้าจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ขั้นอยู่กับพื้นแล้วจะไต่ขึ้นไปขั้นสูงเลยโดยที่ไม่ผ่านขั้นต่ำขึ้นไปตามลำดับก่อนถ้าเรามีปัญญาอย่างที่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ให้เราหยุดความอยากถ้าปัญญาของเรามีกำลังแก่กล้ามี การสนับสนุนด้วยสมาธิด้วยสติด้วยศีลด้วยทานปัญญานั้นก็จะเป็นภาวนามายปัญญาเกิดจะสามารถหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายความอยากไม่พัดภาาจากสิ่งที่รักที่ชอบจากบุคคลที่รักที่ชอบได้แต่ถ้ายังไม่สามารถ หยุดความอยากได้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญายังไม่มีกําลังสิ่งที่จะให้มีกําลังในการที่จะหยุดความอยากก็คือสมาธิการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อย พ็ถ้าคิดด้วยเปื่อยแล้วใจก็จะไม่สงบไม่เป็นสมาธิการที่จะมาเจริญสติได้ก็ต้องมีศีลมีเวลาการที่จะมีศีลมีเวลาได้ก็จะต้องทำทานคือต้องยุติการหาเงินใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าเรายังต้องหาเงินใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราจะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้นั่นเองนี่คือสาเหตุที่เราต้องหยุดการใช้เงินหาเงินเช่นเวลาเรามีเงินเราไปหาเงินมาได้มากเกินความจําเป็น ความจําเป็นที่เราต้องหาก็คือปัจจัยสี่ทุกวันนี้ที่เราส่วนหนึ่งที่เราต้องไปหาเงินหาทองไปทํางานทําการก็เพราะว่าเราต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูอัตภาพชีวิตร่างกายของเราแต่ถ้าเราหาได้มามากเกินความต้องการของปัจจัยสี่เราก็จะเอาไปใช้สร้างความอยาก แทนที่จะเอาไปใช้หยุดความอยากเรากลับเอาไปใช้สร้างความอยากด้วยการทำตามความอยากพอเรามีเงินเราก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพระชนิดต่างๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังไปสร้างเชื้อโรคของความทุกข์ใจให้มีกำลังมากขึ้น ให้ปลิดความทุกข์ใจให้กับเราเพิ่มมากขึ้นเราหลงคิดว่าการทำตามความอยากเป็นการดับความทุกข์ใจเช่นเวลาเราอยู่บ้านแล้วเรามีความรู้สึกหงุดหยิดนำคาญใจเศร้าส้อยงอยเหง า, ว, าว้าเหวเราก็คิดว่าถ้าเราออกไปเที่ยวข้างนอกไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปพบปะกับคนนั่นคนนี้ ไปกระทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็จะทําให้เรามีความสุขเราก็ต้องออกไปเที่ยวนอกบ้านออกไปนอกบ้านเราก็ต้องใช้เงินใช้ทองพอเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขพอเรากลับมาบ้านเราก็กลับมาเจอสภาพเดิมอีกก็คือมีความหงุดหงิดลาคาญใจเศร้าซ้อยง้อยเหงา ว, ว้าเวก็ต้องอยากออกไปข้างนอกอีก ก็จะทำให้เราต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆพอเราใช้เงินไปเรื่อยๆ เ, เงินมันก็จะหมดหรือจะน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เราก็ต้องออกไปทำงานทาการหาเงินหาทองเพื่อที่จะหาเงินมาเพิ่มเพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาใช้ดับความทุกข์ใจต่อไปการดับความทุกข์ใจด้วยการใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ดับความทุกข์ใจที่แท้จริงดับได้เพียงเดียวเดียวแล้วก็เพิ่มความุขเพิ่มความอยากที่จะกดดันให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกนี่ไม่ใช่วิธีที่เราจะใช้เงินเพื่อดับความทุกข์ใจพระพุทเจ้าทรงสอนว่าถ้ามีเงินเราอยากจะใช้ให้ดับความ ทุกใจก็ให้เอาเงินนี้ไปทำทานเอาไปจากจ่ายเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเช่นแทนที่เราจะไปเที่ยวข้างนอกเราก็ไปข้างนอกแต่เราไปวัดหรือไปที่บริจาคเงินทองไปเราต้องการจะบริจาคเงินทองที่ไหนเราก็ไปที่นั่นเช่นเราวันเกิดวันนี้เราอยากจะเลี้ยงอาหารให้กับคนชร า, าให้กับเด็กกำพรา้า ให้กับคนพิกา ร, รอให้กับวัดทำบุญกับพระเราก็ไปตามสถานที่เหล่านั้นแล้วเราก็เอาเงินที่เราจะไปเที่ยวเนี้เอาเงินที่จะไปทำตามความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้เอามาทำทานเสียแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นพอเราเห็นผู้อื่นมีความสุข ใจของเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขนั่นเองแล้วก็เป็นการหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากความสุขจึงเกิดขึ้นเพราะความอยากไม่ได้ตอบการตอบสนองเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความอิ่มใจสุขใจ แล้วถ้าเราทําอย่างนี้ไปทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปซื้อความสุขไปทาตามความอยากเราไปความอยากที่จะใช้เงินก็จะหมดไปเราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่มีความอยากที่จะออกไปเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเราสามารถอยู่บ้านอยู่เฉยๆได้ อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำทานอีกต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องใช้การทำทานถ้าเงินที่เรามีมากเกินไปนี้มันหมดไปแล้วเหลือแต่เงินที่เราต้องสำรองเก็บเอาไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราการทำทานก็หมดหน้าที่ไป ก็จะทำให้เรามีเวลาที่อยู่บ้านและอยู่ตามสถานที่สงบสงัด mm hmm. เช่นตามวาดัดวาต่างๆ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้จเจริญสต mm hmm. ิเพื่อที่เราจะได้รักษาศีล mm hmm. เจริญสตินั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาตามลำดับต่อไป mm hmm. ทาง น, นี้เป็นเหมือนกับการถอนสมอเลือ mm hmm. การเดินทางของเรา เราต้องการจากเดินทางจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องถอนสมอเรือก่อนถ้าเรือไม่ถอนสมอเรือเรือก็ไม่สามารถวิ่งออกจากท่าได้การให้ทานนี้เรียกว่าเป็นการถอนสมอเรือเป็นการเปลี่ยนจากการเป็นคารวาสผู้ คองเรือนผู้เสพการไปสู่นักบวชผู้ที่ละการเสพการนักบวชผู้ที่แสวงหาความสงบหาความสุขหาการดับทุกข์ต้องเกิดจากการสละทรัพย์มมสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ไปให้หมดไม่ใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆแต่จะใช้การปฏิบัติทำคือรักษาศีเลเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขให้แก่ใจเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมา ไม่เหมือนกับความสุขที่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเป็นความสุขที่ชั่วคราวประเดียวประดาแล้วก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะไม่มีความอิ่มไม่มีความพอได้เสพเท่าไหร่ก็ยังอยากจะเสพต่อไปเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นคนเสพสุรายาเมา สบบุหรี่ซนเสพยาเสพติดพวกนี้จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะไปสู่สถานที่ที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด เราก็ต้องถอนสมอเรือเรือที่จะพาเราเดินทางไปสู่สถานนี้ก็คือศีลสติสมาธิและปัญญานี้เองพอเราทำทานได้แล้วเราไม่โลภไม่อยากได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแล้วเราจะรู้สึกว่ารักษาศีลนี้มันง่ายได้เหลือเกินเพราะว่าเราไม่ต้องการได้อะไรจากใคร เมื่อเราไม่ต้องการได้อะไรจากใครเราก็ไม่ต้องทำบาปเช่นไม่ต้องโกหกหลอกลวงไม่ต้องช่อโกงไม่ต้องฆ่าไม่ต้องประพฤติผิดประเวณีเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบจะไม่มีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ดีต่าง เพราะว่าเราไม่ได้ทำแล้วนั่นเองการกระทำที่ไม่ดีก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมานี่เพราะเราไม่มีความต้องการจะได้อะไรจากใครแล้วเราก็ไม่ต้องทำบาปเพราไม่ทำบาปใจก็จะสงบใจจะไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลกับโทษ กับผลที่จะเกิดจากการกระทําบาปนั่นเองก็จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมใจควบคุมความคิดให้ให้หยุดได้ทําให้ใจว่างทาให้ใจเย็นทําให้ใจสบายทําให้ใจสงบได้ดังนั้นขั้นแรกเราต้องทําทานกันให้มากมาก ขั้นตอนตอนนี้ก็เป็นการซ้อมทำไปก่อนทำทีละเล็กทีละน้อยพอทำไปแล้วเห็นผลที่เกิดจากการทำทานก็จะอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปก็ทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบเป็นร้อยละสามสิบ้อยละสี่สิบทำไปจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่เลยก็จะ ไปบวชได้หรือจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามวัดตามวาอยู่หรืออยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกได้ก็จะไม่ต้องไปทำบาปทํากรรมกับใครถ้าอยู่คนเดียวก็จะสามารถเจริญสติได้ทั้งวันการปฏิบัติที่จะทำให้ใจสงบได้นี้ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถึงจะได้ผลเป็นกออเป็นกรรมถ้าทําแบบทําบ้างไม่ทําบ้างบางเวลาก็ทําบางเวลาก็ไม่ทําอย่างชีวิตของคารวาสีนการเจริญสตินี้จะไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะต้องไปทําภารกิจการงานต่างๆเวลาทําภารกิจการงานพบปะคนนั้นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้การจะ จเจริญสติก็จะล้มเหลวเพราะจะถูกเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกายดึงไปให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใจก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดให้ทำใจให้ว่างได้ก็ต้อง ยังต้องหยุดภารกิจการทำมาหากินหยุดการออกไปข้างนอกออกไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระชนิดต่างๆเพื่อจะได้ควบคุมความคิดให้สงบให้ได้ถ้าอยู่ข้างในไม่ออกไปข้างนอกบ้านไม่ออกไปตามสถานที่มีแสงสีเสียงมีรูปเสียงกลิ่นรสเริ่มีภารกิจการงานต่างๆที่ต้องใช้ความคิด การควบคุมความคิดก็จะง่ายแต่ถ้าออกต้องออกไปเพราะว่ายัางต้องอยากหาเงินหาทองอยังอยากจะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขอยู่การบําเพ็ญทางจิตตภาวนาคือการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธินี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผลยังไม่เกิดหรือเกิดก็เป็นผลเพียงเล็กๆน้อยๆ ถ้าเป็นฝนตกก็เหมือนกับละอองฝนไม่ได้ตกบันหาใหญ่เหมือนกับพายุฝนจะได้ความสงบหรือไม่ได้เลยได้ก็แบบเล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงถึงลากของฐานของความสงบเต็มที่อาจจะได้สัมผัสเพียงเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเหมือนกับฝนที่ทําท่าจะตกแล้วก็ตกเพียงละอองลงมาให้รับรู้ว่าเวลาฝนตกนั้นมันความเย็น ของฝนเป็นอย่างไรเทนั้นแต่จะไม่ได้รับสัมผัสกับฝนแบบที่พายุฝนนำมาให้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าไม่มีภารกิจการงานต้องทำแล้วสามารถปีกวิเวกอยู่ตามลำพังได้สามารถควบคุมรูปเสียงกลิ่นรสปวดา พ, พต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนกับจิตใจได้ ก็จะสามารถนั่งสมาธิเข้าถึงฐานของสมาธิคือการรวมของจิตรวมเป็นเหน่งเป็นสัตตะเป็นเอกักกตารมมีแต่อุเบคาอยู่อันนี้แหละเป็นผลที่จะได้รับจากการที่ยินสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็จะเป็นความสงบที่เต็มที่ เป็นความสงบที่จะเป็นฐานของการเจริญปัญญาต่อไปถ้าไม่ได้ความสงบในระดับนี้แล้วการเจริญปัญญาเพื่อจะไปตัดความอยากต่างๆนั้นจะเป็นไปไม่ได้จะไม่มีกําลังพอจะตัดไม่ลงยังเสียดายยังรักอยู่ยังไม่เห็นตายรักอย่างเต็มที่ยังไม่เห็นอนิจจังอย่างเต็มที่ยังไม่เห็นทุกขังอย่างเต็มที่ ยังไม่เห็นอนัตตาอย่างเต็มที่ก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้เวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาก็จะต้องทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะยังไม่สามารถหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เห็นว่าการยึดติดกับร่างกายนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่มีกำลังสมาธิมาคอยสนับสนุนเวลาใจไม่สงบไม่มีสมาธิเต็มที่นี้กิเลสความหลงยังยังทำงานได้อยู่ ความหลงนี้ก็จะมาบังตาบังใจไว้มองทำให้มองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดเจนนั่นเองแต่ถ้าจิตรวมลงเป็นอุ เ, อเบกขาแล้วเป็นเอกขกตารวมแล้วสักแต่ว่ารู้แล้วเวลานั้นความหลงจะถูกถูกถูกหยุดไปชั่วคราว ทำให้เหมือนกับแว่นตาที่ใสสะอาดมองเห็นอะไรตามความเป็นจริงหมดไปหมดไม่เหมือนกับแว่นตาที่ฝ้ามวัวเช่นมีละอองน้ำเข้ามาไอ้น้ำเข้ามาทำให้ไม่สามารถมองเห็นผ่านทางแว่นตาได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรกันแนะ่เป็นสุนัขหรือเป็นแมวหรือเป็นอะไรแต่ถ้าได้ เช็ดแว่นตาให้สายสะอาดแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนฉันใดถ้าใจไม่สงบเต็มที่จะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างเต็มที่นั่นเองแต่ถ้าใจสงบแล้วออกมาใหม่ๆก็เหมือนกับพึ่งเช็ดแว่นตาใหม่ๆให้สายสะอาดพอมองอะไรก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นได้ตามความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองแต่ทำไมพวกเรามองไม่เห็นกันก็เพราะว่าแว่นตาของเราใจของเรามันมัวนันน่นเองมัวด้วยความหลงถ้าเราไม่เข้าสมาธิก็ไปสู่ความสงบอย่างเต็มที่ความหลงมันจะไม่หยุดทำงานแต่ถ้าเข้าไปในสมาธิเต็มที่แล้วความหลงมันจะหยุดทางาน ใจจะใสเหมือนกับแว่นตาที่ได้รับการเช็ดอย่างให้ใสสะอาดพอออกจากสมาธิมาถ้าพิจารณาอนี้จังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นทันทีจะเข้าใจทันทีถ้าพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะเห็นทันทีถ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จะเห็นทันที เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรมันเกิดมาจากธาตุสี่ทน้ําลมไฟเริมต้นตั้งแต่การผสมธาตุของพ่อกับของแม่มารวมกันก็เป็นธาตุสีป่ประรวมกันแล้วก็เก่าตัวขึ้นมาแล้วก็ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยธาตุสี่ที่เข้าผ่านไปในทางสายเลือดของของมัรดาอีกทีหนึ่ง จวกระทัางเจริญเติบโตแล้วคลอดออกมาก็รับธาตุสี่ต่อไปอีกดื่มน้ารับประทานอาหารดื่มนมอาหารต่างๆแล้วก็หายใจเข้าออกก็เป็นธาตุลมความร้อนก็ได้จากแสงอาทิตย์ความร้อนก็ได้จากอาหารที่เข้าไปในร่างกายนี่ก็เป็นธาตุทั้งนั้นเวลาตายไปร่างกายก็ ธาตุทั้งสีที่อยู่ในร่างกายก็แยกทางกันไปลมไปทางไฟไปทางน้าไปทางหนึ่งที่เหลือก็เป็นธาตุดินนี่คือการเจริญปัญญาการมองให้เห็นตามความเป็นจริงจะต้องมองด้วยสมาธิด้วยใจที่ใสสะอาดที่สงบนี่เองถ้าใจไม่ใสสะอาดไม่สงบจะมีโมหะความหลงครอบงำ มองอยังไงก็มอ ง, องไม่เห็นวนะ่ามันไม่เที่ยงมองยังไงก็คิดว่ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันมองแค่ปัจจุบันเช่นตอนนี้มองอยังไงมันก็ไม่แก่ไม่จเจ็บไม่ตายมันมองไม่เป็นมันไม่ไปมองทั้งอดีตมองทั้งอนาคตถ้ามองทั้งอดีตมองทั้งปัจจุบันมองทั้งอนาคตมันก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงอดีตก็คือตอนที่ออกมาจากท้องแม่เป็นอย่างไรร่างกายอันนี้ ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วอนาคตเวลามันไม่หายใจแล้วมันเป็นอย่างไรเวลาเอาเข้าไปในเตาเผาแล้วออกมาเป็นอย่างไรมันไม่มองกันมันมันถึงมองไม่เห็นกันเพราะความหลงมันไม่อยากให้เรามองของนี้มันมีเห็นชัดๆอยู่ทำไมไม่มองกันก็เพราะว่าความหลงไม่อยากให้เรามองไม่อยากให้เราเห็นความจริง เพราะได้เห็นความจริงแล้วความหลงมันก็จะหมดอำนาจไม่สามารถที่จะครอบ ง, งมจิตใจของเราได้ต่อไปนั่นเองนี่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไหนความจริงมันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาปัญหาอยู่ที่เราไม่ยอมมองความจริงกันเราก็เลยหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆานไม่ให้มันจากเราไป ความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นมาจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองแล้วเวลาตายไปแล้วก็ยังมีความอยากที่จะกลับมาเกิดไม่เคยเข็ดสักครั้งน ين. เกิดมากี่ครั้งมาแกา่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งก็ไม่เคยเข็ดไม่เคยจาก็อยากจะกลับมาเกิดเองตายไปแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดเเพราะยังอยากจะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาพอเอก ยังอยากจะเดิมสุรายังอยากจะสูบบุหรยังอยากจะเสพยาเสพติดอีกมันก็เลยต้องกลับมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องของเหตุของความทุกข์ใจเรื่องของการกำจัดความทุกข์ใจให้หมดไปจากใจด้วยวิธีการปฏิบัติต่างๆนี่พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะ หลุดพ้นเงื้อมือของความหลงนี้ที่ครอบงามจิตใจของเราที่หลอกให้พวกเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาทุกข์แล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ไปเลยแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วเราได้เข้ามาพบมาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติเอาไปทําการบ้าน ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปทำการบ้านเอาไปไข้ควรแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนสอนให้ทำทานก็เอาไปทำทานสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลสอนให้เจริญสติเจริญสมาธิปัญญาก็เจริญไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอพอมีกำลังมากแล้วก็เข้าห้องสอบหาห้องสอบพิสุจดูว่าความรู้ของตนความสามารถของตนนี้ สามารถหยุดความอยากได้หรือยังพอเข้าห้องสอบก็จะรู้ถ้ายังไม่ผ่านก็กลับมาทำการบ้านเพิ่มเติมต่อไปทำไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเข้าไปห้องสอบใหม่สอบมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านพอผ่านแล้วมันก็จะสบายจะปรมังสุขขังมันจะไม่มีความทุกขหลงเหลืออยู่ภายในใจเอกเลยนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่สอนแต่เรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาของพวกเราที่เราจะต้องแก้ถ้าไปสอนในเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้สอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆเช่นถ้าเรามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องสอนกันที่ต้องสอนก็เพราะว่าเรายังมีความทุกข์กันอยู่ยังไม่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวยังมีสุขบ้างทุกบ้าง สุขนี้ไม่ต้องสอนเพราะเรารู้จักวิธีหามันแ ต, แต่ว่ามันเป็นความสุขที่ปลอมเท่านั้นเองจึงต้องสอนให้สอนให้รู้ว่าความสุขแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรความสุขแท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์หยุดความอยากนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาให้มากๆแล้วก็พยายามหมั่นทำการบ้านปฏิบัติกันให้มากๆ แล้วก็เมื่อพร้อมแล้วก็เตรียมหาห้องสอบเข้าไปพิสูจน์ดูว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำการบ้านต่อไปเข้าห้องเรียนเพิ่มเติมฟังคําสอนเพิ่มเติมไปจนกว่าจะผ่านรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสอบผ่านกันอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้เรียนมา ได้ทำการบ้านมาและได้สอบผ่านกันมาแล้วเป็นจำนวนมากพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับพวกเหล่านั้นอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปใข้ครวรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติ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 ตอนนี้จะให้พรก่อนหนะเผื่อท่านที่ต้องการที่จะเดินทางไปที่ไหนต่อไปจะได้ไม่ต้องคอยส่วนท่านที่จะอยู่ต่อก็เดี๋ยวก็เข้ามาได้ผู้ที่มาที่หนังต้องการจะถวายข้าวของอะไรหรือมารับหนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาหลังจากที่ให้พรนี้แล้วยะท้าวฤาวาหาปุราปาริปุเรนติสักลาง เอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจตุสัพเพบริเณตุสังกะปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวตนตราโยสุขีธีภาโยผวะอาพิวาธนสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลั ต่อไปนี้จะมีคำถามที่เขาส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับของคุณผืนฟ้านะครับเขาได้อบอกว่าเขาได้นำข้อปฏิบัติที่พระอาจารย์ได้เทศนาสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ได้ผลดีมากนะครับแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมมาว่า ผมปฏิบัติมาได้หลายปีแล้วเพราะจริตเป็นคนคิดมากเลยใช้ปัญญาอบรมสมาธิตามพิจารณาความคิดจนหยุดคิดซึ่งก็ได้ผลดีพอสมควรในการทำให้ใจสงบช่วยให้ใจที่ร้อนที่ที่ร้อนลนเย็นลงไปได้บ้างแต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันเกิดความรู้สึกกลับกันความคิดวุ่นวายที่เคยมีมันหายไป มันสงบนิ่งๆของมันไม่อยากคิดไม่อยากพิจารณารวมถึงไม่อยากเจอไม่อยากพูดกับใครเพราะมันจะทำให้ใจไม่สงบอยากอยู่เฉยๆอย่างนี้นั่งอยู่เฉยๆทั้งวันไม่ดูหนังฟังเพลงเลยก็ได้เหมือนว่าถ้าคิดถ้าคุยกับคนอื่นแล้วมันจะเกิดการกระทบเกิดความอยากและนำไปสู่ความทุกข์เป็นเหมือนการหลบปัญหา เหมือนกลัวความทุกข์อยากหลบอยู่ในความสงบนี้ทางที่ความจริงผมยังต้องทำงานชีวิตยังมีปัญหาให้แก้มากมายแต่มันวางหมดเลยไม่อยากจะหยิดไม่ว่างานทางโลกหรืองานทางธรรมมาพิจารณาขอหลวงพ่อให้อุบายทำเพื่อให้ผมก้าวหน้าต่อไปด้วยครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นการติดในสมาธิคือเวลามีสมาธิจิตสงบก็มีความสุข ไม่อยากจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่ชีวิตของความเป็นจริงของเรานี่เราอยู่ในสมาธิไปตลอดไม่ได้เราต้องออกมาดูแลร่างกายของเรามาหาอาหารรับประทานมาทำภารกิจอะไรต่างๆที่ยังต้องทำอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าออกจากสมาธิแล้วให้ใช้ปัญญาให้ฝึกสอนใจให้คิด ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เป็นตามความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวเราพยายามทำหน้าที่ของเราไปมีอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไปมีอะไรที่เราต้องทำก็ทำไปทำได้มากทำได้น้อยเท่าไหร่ก็ต้องพอใจกับผลที่เราได้รับ หรือให้คิดว่ามันก็เป็นผลชั่วคราวเป็นของชั่วคราวทําให้ดีขนาดไหนเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีเฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาใช้ปัญญาเราก็จะสามารถที่จะดูแลรักษาใจของเราให้สงบต่อไปได้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็น เราก็ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธเป็นการเจริญสติรักษาใจไปพังๆก่อนเช่นออกมาแล้วพอใจจะวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้เจริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจแต่ทางที่ดีควรจะฝึกใช้ปัญญาได้แล้วควรพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปงควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปสิ่งไหนเราทำได้เราก็ทำไปทำไม่ได้เราก็ต้องทำใจปล่อยวางเช่นอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจเราก็จะไม่อยากออกมาเจอกับเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้เราติดอยู่ในสมาธิถ้าเราติดในสมาธิเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการ พอสมาธินี้ไม่สามารถดับความอยากดับความทุกข์ได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผลต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วมีดับเป็นธรรมดาเราเราไปสั่งการไปควบคุมบังคับเขให้เขาเป็นตามความต้องการของเราไม่ได้ เราไม่ต้องไปหลงกับเขาเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีแต่เมื่อเรายังอยู่ร่วมกันอยู่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันอยู่ต้องปฏิบัติอะไรต่อกันอยู่เราก็ทาตามหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีได้ก็จบไม่ได้ก็จบอยู่ดี ให้มองที่จุดจบของชีวิตของทุกๆคนไว้ด้วยเราจะได้ไม่หลงจะบไม่ไม่เช่นนั้นเวลาเราทําอะไรแล้วเราคิดว่าทําแล้วสิ่งที่เราทํำนั่นจะอยู่กับเราจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีอะไรจะเป็นอย่างนี้จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดต่อให้เราทําดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมหมดไปเช่นเราสร้างบ้านจะให้สวยขนาดไหนวิจิตรพิสดารขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นซากปรักหักพังไปในที่สุด เพราะเวลาจะเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดนี่คือการพิจารณาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะได้ปัญญาแล้วต่อไปเราไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิเพราะว่าเราจะมีปัญญาคอยคุ้มครองนักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นถ้าเราได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธินี้ ต้องใช้ปัญญาสอนใจเวลามองเห็นอะไรพิจารณาอะไรให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อใจจะได้ปล่อยวางไม่ไปวุ่นวายกับเขาเขาเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาเราทำอะไรได้เราก็ทำไปเป็นเรื่องของเราไปแล้วต่อไปเราไม่ต้องหลบอยู่ในสมาธิเราจะอยู่กับสังคมอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆอยู่กับบุคคลต่างๆได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้าน เพรเรารู้ว่าเขาเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถจะทำอะไรให้เป็นไปตามความอยากของเราได้และได้มามันก็ไม่ได้อย่างท้าวรอยู่ดีได้มาเพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเปลี่ยนไปนี่คือการเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติพอได้สมาธิแล้วต้องออกทางปัญญาต้องฝึกสอนใจให้มองไปในทางตายลักเสมอหรือมองไปในทางอสุภะบ้าง ปัสาะก็คือให้มองส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างอย่ามองแต่ส่วนที่สวยงามอย่างเดียวเช่นมองร่างกายอย่าไปมองเฉพาะตอนที่เขาสวยเขางามมองตอนที่เขาไม่สวยไม่งามเช่นตอนที่เขาตายไปร่างกายของเขาเป็นซากศพขึ้นอื่นแล้วก็เน่าเปื่อยผุพองขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นเศษกระดูกไป นี่ให้มองอย่างนี้บ้างหรือมองในส่วนที่สกรปรกของร่างกายบ้างร่างกายก็มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลขับถ่ายออกมาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงไหลคลั่งไค้ไปกับความสวยงามของร่างกายเราก็ไม่จะได้ไม่ต้องไปไม่ไปมีความผูกพันกับคนอื่นเพราะการมีความผูกพันก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจตามมาในภายหลัง เวลาที่เขาจากเราไปนี่คือปัญญาที่เราควรที่จะมันพิจารณากันอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีอาวุธที่จะใช้ฆ่าหรือทำลายกิเลสตัณหาและความทุกข์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปอยู่ในสมาธินี่คือคำตอบเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะ ไ, ไม่ให้ตอบปัญหาหมันเสร็จเป็นฟังธรรมไปในตัวเลยนะ คต่อไปเป็นคำถามจากคุณวินนะครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ถึงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติของโสดาปฏิมัติเพื่อไปให้ถึงโสดาปฏิผลและความสัมพันธ์กับการทำสมาธิที่เราปฏิบัติอยู่ว่าสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างไรครับรวมถึงการวัดผลของโสดาปฏิผลเมื่อเดินมัตถูกต้องครับก okay. การที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นี้ต้องมีสมาธิมีปัญญาคือปัญญานี้ต้องเป็นภาวนามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือจากการค่าควรนี้จะไม่มีกำลังที่จะละสะกายะทิฐิคือความความหลงความเห็นผิดว่าร่างกาย เ, ออเวทนานี้เป็นตัวเราของเรา อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ในธรรมเบื้องต้นนะว่าถ้าจิตไม่สงบเต็มที่นี่ความหลงมันจะยังครอบงำจิตใจอยู่มันก็จะเป็นเหมือนแว่นตาที่ฝ้ามองไม่เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเราต้องเช็ดแว่นตาให้มันใสสะอาดเพื่อที่เราจะได้มองสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงก่อนที่เราจะมอง ได้ตามความเป็นจริงเราก็ต้องเช็ดแว่นตาคือใจของเราให้ใสสะอาดด้วยการเจริญสมาธิให้เข้าสู่าการรวมที่เรียกว่าอัปปนาชานสีเป็นสมาธิที่มีแต่อุเบกขาและสักแต่ว่ารู้สมาธินั้นจะกิเลสความหลงต่างๆจะสงบตัวลงไปจะทาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนตามความเป็นจริง เวลาออกจากสมาธินี้มาก็ให้พิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีตัวมีตนเช่นร่างกายนี้ก็ได้สอนเวลาให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ไเห็นว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเวลาตายไปก็แยกกันออกไปธาตุสี่ก็แยกออกจากร่างกายไปเหลือแต่ธาตุดิน เวลาร่างกายนี้ถ้าทิ้งไว้ไม่ไม่ได้เอาไปเผาไม่ได้ไปฝังต่อไปมันก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็ผุเหลือแต่เศษกระดูกเหลือแต่ถ้าทิ้งไปนานๆมันก็จะกลายเป็นดินไปส่วนธาตุดินธาส่วนธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็แยกออกไปตั้งแต่เวลาที่ร่างกายเริ่มตายพอร่างกายเริ่มตายมันก็จะเย็นแลธาตุไฟก็หายไปละธาตุลมก็จะระเหยออกมากิ่นที่เราได้ ได้ปิ่นนี่ก็เป็นธาตุลมน้ำก็จะไหลออกมาจากร่างกายทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินไปส่วนเวทนาก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเช่นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสั่งมันไม่ได้ให้มันสุขไปตลอดเวลามันทุกข์สั่งให้มันหายมันก็ไม่หาย เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราตัวเราเราไปสั่งมันไม่ได้เราต้องอยู่กับมันแบบเฉยๆรับรู้มันไปมันจะสุขก็รู้ว่าสุขมันจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์อย่าไปเจ้ากี่เจ้าการไปจัดการอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาเป็นั่งขานเพราะถ้าเกิดความอยากให้มันหายไปหรือเกิดความอยากให้มันเกิดขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจ ถ้ามีความทุกข์ใจก็แสดงว่าไม่ปล่อยถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าเวลานั่งไปนั่งสมาธิไปแล้วร่างกายเจ็บแล้วไม่ไปอยากให้มันหายไปใจจะไม่ทุกข์ถ้าเกิดความอยากให้มันหายไปใจจะทุกข์ขึ้นมาจะทนนั่งต่อไปไม่ได้นี่คือการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราไปทําอะไรเขาไม่ได้เขาน่าเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เวทนาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอยากไปอยากอยากแล้วจะทุกข์ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็อยากไปอยากส่วนสัญญาสังขารก็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่รับรู้แปลความหมายของรูปของเวทนาแต่ไปแปลความหมายผิดไปแปลว่าเวทนานี้เป็นตัวเราของเราไปแปลว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา สังขารก็ไปคิดปรุงแต่งอยากจะให้มันไม่เจ็บอยากจะให้มันไม่แก่อยากจะมาให้มันไม่ตายอันนี้เราก็ต้องมาแก้สัญญาแก้สังขารด้วยการสอนใจเอาธรรมะเขามาสอนว่าร่างกายเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสังขารก็ต้องไม่ปรุงไปในความอยากให้มันหายไปหรืออยากให้มันอยู่นาน ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันนี่คือการเจริญโวสดาปฏิมาพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาได้แล้วปล่อยวางได้จิตก็จะดำรุเป็นพระสวสดาบรนได้คําถามข้อต่อไปจากคุณนกยุงนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนาเรื่องการนั่งสมาธิ หากเรานั่งถึงจุดสงบแล้วไม่ต้องนึกถึงคำบริกรรมจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วแต่ก็สงบจริงๆแบบนั้นจะเจริญปัญญาต่อไปก็ได้แต่รู้ว่ากำลังพิจารณากายมิทราบว่าถูกหรือเปล่าเวลาจิตสงบรวมลงแล้วจิตจะไม่คิดปรุงแต่งจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆ เวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญามไม่ใช่เวลาที่จะใช้ความคิดเวลานั้นเป็นเวลาที่จะให้เสพความสุขที่เกิดจากความสงบให้จิตตั้งอยู่ในความสงบนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองอย่าไปบังคับสั่งให้จิตเช่นเวลาพอจิตสงบปั๊บไม่มีความคิดแล้วก็เริ่มสั่งให้คิดไปในทางปัญญาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูก เราต้องการให้จิตสงบให้นิ่งให้นานที่สุดให้เป็นอุเบกขาให้ได้นานที่สุดเพราะว่าเราต้องการกําลังของอุเบกขาต้องการกําลังของความสงบนี้มาเป็นเครื่องที่จะสนับสนุนทางปัญญาต่อไปเราจะใช้ปัญญาก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความสงบแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่งหรือว่าจะลุกขึ้นมาเดินเราก็ต้อง สอนใจให้คิดไปในทางปัญญาคือให้พิจารณาความเสื่อมพิจารณาความไม่เที่ยงของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงว่าเป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นอะไรได้ตามความอยากของเราถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นพอไม่ได้ตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องดูไว้เฉยๆแล้วก็อย่าไปอยากทำอะไรได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพมันไปใจจะไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าจะเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียคนนักไปใจจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรานี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ควรจะปรับนิดหน่อยเวลาสงบอย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้สงบให้นา น, าน แล้วควรจะทำสมาธิให้ชำนานด้วยคือต้องเข้าออกได้อย่างสบายอย่างรวดเร็วไม่ใช่กว่าจะเข้าได้นี่ต้องใช้เวลาต้องครึ่ชงชั่วโมงอย่างนี้แสดงว่าอย่างอย่างไม่ชำนานทางสมาธิแสดงว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอถ้าออกมาจากสมาธิแบบนั้นก็ควรที่จะมาเจริญสติต่อควบคุมใจไม่ให้คิดอะไรไปก่อนควบคุมความคิดไว้ให้ได้ก่อน จนกว่าจะสามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วง่ายได้แล้วหลังจากนั้นถึงควรที่จะออกไปในทางปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วคำ ถ, ถามข้อต่อไปนะครับจากคุณอาณัตทีนะครับการบริกรรมพุทโธกับการดูลมหายใจแบบไหนสามารถไปได้ดีกว่ากันครับผมไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติแบบไหนดีกว่าผมสับสนครับ จิตสงบแค่ตอนแรกๆทั้งสองวิธีนั้นก็ได้วิธีไหนก็ได้วิธีใดที่ทำให้จิตสงบก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าการทำจิตให้สงบนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ถึงสี่สิบวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบวิธีสองวิธีนี้อยู่ในกลุ่มของอนุสติเช่นดูลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานาสติถ้าบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติ ถ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนหรือท่องบริกรรมธรรมโมก็เรียกว่าธรรมานุสติสังคานุสติก็ระลึกถึงพระสงฆ์หรือระลึกถึงคำว่าสังโฆดังนั้นวิธีไหนก็ได้เป็นอุบายที่จะนำใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจริตของแต่ละคนนี่อาจจะมีความชอบมีความถนัดในกรรมฐานที่ไม่เหมือนกัน บางท่านก็ถนัดกับการดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปบางท่านถนัดกับการบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปบางท่านก็ชอบผสมกันเช่นเอาทั้งพุทธโธเอาทั้งลมหายใจเวลาลมหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นสุดแท้แต่เจริญการกระทำแบบไหนไม่สาคัญสาคัญว่าได้ผลหรือไม่เราจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนี้บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ที่ การใช้แบบใดแบบหนึ่งการที่ไม่ได้ผลส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่มีสตินั่นเองไม่ได้อยู่กับการบริกรรมอ ย, อย่างจริงจังอยู่กับพุทโธได้สองสามคำแล้วก็ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับลมได้สองสาเพื่อ ก, ก็หายไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทําอย่างนี้แล้วต่อให้ใช้กรรมฐานแบบไหนก็จะไม่เกิดผลจะเกิดผลก็ต่อเมื่อจิตเราจดจ่ออยู่กับงานที่เรากําหนดให้จิตทำํำ ถ้าให้ดูลมก็ต้องดูลมอย่างเดียวถ้าให้บริกรรมพุทธโธก็ต้องบริกรรมพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายประจำวันนี้นะครับอาจาคุณศิริพร น, นะครับขอกาบนมาสการเรียนถามพระอาจารย์ควรปลูกศรัทธาแบบไหนให้เพียรได้สม่าเสมอ ศรัทธาก็ควรจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองเพราะนี่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจของเราขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อในการตัดเรู้ของพระพุทธเจ้าให้มีความศรัทธาในวิถีชีวิตดำเนินของพระพุทธเจ้าเช่นทรงสละราชสมบัติออกบวชปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านในเขาจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสตัส ม, มาสามพุทธเจ้า มีศรัทธาในพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ดำเนินตามวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชอยู่ตามป่าตามเขาจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาหลังจากนั้นก็สละอุทิศชีวิตของตนที่เหลืออยู่ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่ได้หลุดพ้นให้ได้หลุดพ้นต่อไปนี่คือศรัทธาที่เราควรจะตั้งมั่นอยู่ ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีที่ยึดของจิตใจจิตใจของเราจะไม่หลงไหลไปกับกระแสของความเห่อต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ในโลกนี้เวลาที่มีใครมาเห่ยว่าคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ยังนี้ก็จะไหลกันไปแล้วพอไปถึงก็ไปเจอว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริง ก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจกันทีหลังแต่ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเวลาก็ได้พิสูจน์มาแล้วถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีว่าผู้ใดที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นจะได้ดุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนหมดแล้วใช่ไ ครับคำถามของจะเก็บไว้ถามผูกนี้ต่อยชุดนึงครับอ่อาได้เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีอย่างอื่นต้องทําต่อทั้งนี้มีอะไรก็อยากจะถวายของก็เอาถวายแต่ดอกไม้ทูบเทียนพานก็พอนะของหนักๆเดี๋ยวตั้งเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องถวายกับมือไปทุกอย่างของนหนักๆตั้งสวนด้านหลังนั้นได้เลยนะครับขึ้ไไนไ้นาข้งอาหารด้วยนะครับอาหารอาหารตั้งได้เลยนครับ เรมาซื้อเทียนแล้วก็เทียนภาษา้อาหารวางไว้ข้างหลังครับอาจารย์ครับนยมซื้อเทียนไว้จุดห้องน้ก็ไปไว้ในห้องน้สิาให้เราไเราไม่ได้เาไปตั้งไว้ในห้องน้้ห้องน้เออแกไอ้นั่นออกไปสก่อนครับยวเอาตดเทียนก็ไปห่อมายาวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวใครเข้าห้องน้ก็ไปตั้งไว้ก็แล้วกัน รธรรมไม่ใช่ตอืตจะเปธรรมะนัตตาก็คือที่ฆาตอาจารย์กล่าวสภาวะธรรมใช่สภาวะธรรมทุกอย่างใช่ใช่เออธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ับไปอะอ อ, อใช่เอ่อทุกอย่างในโลกนี้เป็นสภาวะธรรมนั้นเองอแม้แต่ธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าก็ในที่สุดก็จะจางหายไปคือ้ายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าธรรมะจะหายเพียงแต่ว่าไม่มีการศึกษามีการ สืบทอดให้กันก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ม า, าดูฟื้นขึ้นมาทาไม่ธรรมะเป็นอาการวิโกความจริงมันเป็นอาการวิโกความจริงก็คือความจริงก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่เองมันก็เป็นมันไม่มีวันสูญสิ้นมันหมดไป ที่เราใช้วิธีนับลมหายใจหายใจเข้าหายใจะออกนับหนึ่งแล้วก็นับไปเรื่อยๆได้จากนั้นถ้าถ้านับผิ่แลก็ต้องเริ่มนับใ ห, ห, หม่ก็ไม่เป็นไรอย่าดับหนึ่งหมายแล้วอย่าต่อตรงที่เราผิดก็ได้แต่เราต้องสติกับเาใช่มันสําคัญที่สติเท่านั้นเองคือเราต้องมีอะไรดึงใจไว้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะค่ะค่าถ้านับไปเราเข้าจิตถ้าว่า ใช้ชีวิีการทำงาน้ว่าขาขวามเป็นเน็ตขาซ้ายสบายดีได้เป็นกายพลาติก็เป็นเหมือนกันเป็นการเจริญปัญญาแต่ความจริงเราต้องการที่อยากจะให้จิตมันสงบมากกว่านี้ให้มันเข้าไปในถึงจุดที่เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสนใจเรื่องปัญญาที่หลังต่อไปขั้นตอนนี้ขอให้เราฝึกใจทําใจให้เข้าสู่อุเบกขาให้ได้ก่อน พอใจมิวเบรคขาแล้วทีนี้เราก็จะมาสอนใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เช่นปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความชาของร่างกายได้ถ้าใจยังไม่เป็นโอเบรคขานี่มันจะมีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะทนนั่งไม่ได้ทนกับความเจ็บไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บเสร็จก็ขยับตัวแล้วก็ก็ไม่ถก็ไม่จาเป็นต้องรอจน พิสูจน์เพื่อจได้เป็นทุกขลาเป็นความเพียรทุกขลาตอนยังขณะนี้ไม่เรียกทุกขละหรอกเป็นการว่าสอบไม่ผ่านสอบตกส <c oughs> อไม่ผ่านอย่างที่หนอ่งก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปเพราะเจ็ดเรายังไม่มีสมาธิกําลังพอไงเราต้องเข้าไปในสมาธิก่อนให้มีอุเบกขาก่อนถ้ามีอุเบกขาแล้วต่อไปเวลาเกิดความเจ็บนี้เราจะสอนใจให้อยู่เฉยๆได้อนั้นอย่าเพิ่งไปรีบร้อนกับเรื่องทางปัญญา พยายามาสร้างฐานคืออุเบกขาให้มีภายในใจให้เกิดขึ้นก่อนต้องทาใจให้รวมเป็นเอกขักระตาลมให้ได้ก่อนเข้าไปรวมสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งไม่รับรู้เรื่องอะไรหรือถ้ารับรู้เรื่องอะไรก็ไม่ไม่ลาคาญใจกับสิ่งที่รับรู้อย่างงั้นถึงจะเรียกว่าเป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแบบนั้นแล้วเวลาร่างกายเจ็บร่างกายชาก็บอกให้มันไม่ต้องไปยุ่งมันก็จะไม่ยุ่ง แต่ถ้าไม่มีใบาขาบอกมันยังไงมันก็จะอยากจะให้มันหายแล้ว อ, อยากจะลุกหนีไปเราก็จะบังคับมันไม่ได้ดันนงนั้นต้องกันไทายให้ได้อุเบกขาก่อนสำคัญมากสมาธิก็คืออุเบกขานี่ สรุนเวลาที่เราสวนแล้วเรพิจารณาไปด้วยนี้คือเราไม่เรียกว่าปัญญาที่เกิดจากสมาธิแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจของเราใช่ไหมใช่เป็นจินตามยะปัญญาเป็นการศึกษาให้เราเกิดความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติแล้วพอเราไปปฏิบัติเข้าห้องสอบเช่นเวลาเจอความทุกข์เราก็จะสามารถเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี้มา มาทำข้อสอบเช่นสอนให้ปล่อยวางสอนให้พิจารณาว่าเป็นตายักอันนี้จังทุกขังอนะตาถ้าเราปล่อยวางได้เราก็สอบผ่านถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังสอบตกอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิใจเราไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากที่จะปล่อยวางทิศต่างๆได้เราก็ต้องกลับมาเจริญสติพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ก่อน ถ้าใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความอยากเราจะหยุดความอยากได้จะหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกได้วันนี้มากันกี่คนนะสามสิสามสิบเลยเออเอาหนังสือจุลธรรมได้กันหรือเปล่าอันนี้จะเดี๋ยวตอนเอามาตรงนี้อีกขอนึงว่าเดียยเ๋ยวได้นมาว่ า, าการขายมีคนมามาก มาอ่านมากเกินไปก็ไม่ดีอ่านน้อยเกินไปก็ไม่ดีทุกอย่างต้องมัติมาต้องพอดีถ้าอ่านน้อยเกินไปความรู้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไม่ดีมากเกินมากเกินไปจนทำให้สับสนก็ไม่ดีควรจะอ่านไปแล้วก็รู้ศึกษาไปแล้วปฏิบัติควบคู่ไปดีกว่าอย่ารอให้อ่านจนจบหมดทั้งปไต่ปิดกแล้วค่อยมาปฏิบัตินะ อ่านไปอย่างเนี้ยท่านสอนให้เข้าวัดฟังเทศอาทิตย์ละครั้งหรือเนี่ยบีซีดีก็เปิดฟังไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ฟังใหม่แล้วก็ทาต่อไปเหมือนดูแผนที่อย่าไปดูแผนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางเอาแค่จุดเริ่มต้นว่ามันจะต้องเข้าถนนสายไหนไปก่อนพอถึงทางแยกนี้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดูมันอีกทีเพื่อไม่ให้หลงทาง ดูมากๆเดี๋ยวก็จำไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ลโพงถุงมีเจ็ตัวแล้วครับอนนี้ี่ครับสวั้าวกนุโมทนาคนคนดูแลจะดูแลไหวเลยก็ดีอย่างจะได้ไปนั่งนั่งตรงจุดไหนก็ได้ที่จะได้ไม่ต้องมาเบียดเสียดในศาลา นอกจากเวลาฝนตกแต่ฝนตกต่อไปก็มีสามศาลามีศาลาหลังนี้แล้วหลังนู้นก็มีสองชั้นมีชั้นบนชั้นล่างก็พอที่จะหลบฝลบนได้บ้างก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์แต่รู้สึกศาลาหลังนี้มันจะขังกว่านะ <c oughs> นั่งรรู้สึกว่าธรรมะมันไหลออกมาดีกว่า เมื่อวานี้ลองขึ้นไปดูหลังข้างบนแล้วรู้สึกว่ามันมันมันโมเดิร์นเกินไปเนี่ยมันทันสมัยมันมีสีมีอะไรดูแล้วรู้สึกว่าธรรมะมันจะขยานเนี่ยมันไม่ก่อยยากจอแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันมันมันออกมาของมันเองเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าจาเป็นจะต้องขึ้นไปคุยกันบนนั้นบ้างก็ต้องทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีคนมามาก แล้วฝนฟ้าอาจจะไม่ไม่สะดวกที่จะนั่งอยู่ตามข้างนอกก็อาจจะต้องขึ้นไปนั่งคุยกันข้างบนบ้างก็ได้ิจงกนาที่เราไเลือกเลืเดินมาเิด้วยมดวจได้พิจารณาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่อยากจะให้ทำตอนนี้ควอยากจะให้เจริญสติให้มากๆก่อน ให้ควบคุมความคิดแห้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดแล้วจะควบคุมมันไม่อยู่ให้เราควบคุมความคิดหยุดความคิดแท้ได้ก่อนถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วต่อไปเราจะสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ถ้าเราพิจารณาทางปัญญาโดยที่เรายังควบคุมความคิดไม่ได้พอเราเผลอปั๊บมันก็จะคิดไปในทางโลกทันทีการการพิจารณาของเราก็เลยกลายเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวขึ้นมาได้ ดังในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิอยากจะให้เจริญสติควบคุมความคิดไว้ให้มากๆจนกว่าเราจะหยุดความคิดได้จะยกตัวอย่างเหมือนกับเราขับรถเดินทางไปเรารู้ว่าเราเดินผิดทางเราต้องย้อนเราต้องเลี้ยวกลับสิ่งที่สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องหยุดรถก่อนพอหยุดรถแล้วเราค่อยยูเทิร์นพออยู่เทิร์นแล้วเราก็จะได้ขับรถไปในทางเส้นทางที่ถูกได้ แต่ถ้าเราหยุดลดไม่ได้ยูเทิร์นไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์มันก็จะไม่ไปในทางที่เราอยากจะให้มันไปมันจะไม่ไปในทางปัญญาถ้าเราหยุดความคิดของเราไม่ได้ดังนั้นเบื้องต้นเราต้องหยุดความคิดของเราให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วเราก็ถึงจะสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ถ้าเรายังหยุดมันไม่ได้มันก็จะคิดไปในทางของกิเลสเสมอคิดไปในทางความอยาก อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เสมอแต่บางครั้งถ้าเกิดมีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนจําเป็นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขปัจจุบันเหตุการณ์ในปัจจุบันเช่นเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยความอยากได้อย่างหนึ่งก็ลองพิจารณาใช้ปัญญาหยุดความอยากนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้สติหยุดมันไปก่อนชั่วคราว อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเช่นมีคนมาด่ามาว่าเรามากล่าวหาอะไรต่างๆนาน า, นาที่ไม่เป็นความจริงใจของเราโดยธรรมชาติจะต่อต้านจะต่อสู้ทันทีว่าเอเราไม่ได้ทําอย่างนั้นทางนี้เรายิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งเครืองใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญต่ตอนนั้นถ้าเราหยุดไม่ถ้าเราปรองไม่ได้ถ้ามีปัญญาเราจะปองว่าปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ท่านนั้นมันก็จบ แต่เราจะไม่มีปัญญาคิดอย่างนั้นเราจะโอดไม่ต่อว่าต่อขานเขาทำไมเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งฟุง้งยิ่งเครียดขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าเครียดอย่างนั้นหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธหยุดไปก่อนอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาได้ตรงได้ว่าเออปากของเขาหูของเรา เ, ออเขามีหน้าที่ดา่าก็ปล่อยก็ด่าไปหูของเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังไป ถ้าอย่างนี้มันก็จบได้มันก็ไม่ทุกได้ขันการบนี้เนี่ยมันเป็นข้อล่ว่าคือใจคือมันมีหลักของมันอยู่ที่เราข้ามเราเราเร า, เราต้องทำดำเนินตามข้ามตามขั้นตอนของหลักนั้นแต่การปฏิบัติของแต่ละคนนี้มัน เร็วช้าหรือกระโดดข้ามชั้นอันนี้มันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกับเด็กบางคนเจรดเรียนตอนหนึ่งแล้วข้ามไปปสามปสี่เลยอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นกรณีที่พิเศษแต่โดยหลักทั่วไปมันก็ต้องไปตามขั้นอนุบาลสู่ปถมสู่มัธยมสู่อุดมศึกษาเช่นทำทานแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิตามใจให้สงบ แล้วก็ค่อยออกทางปัญญาตามลำดับต่อไปถ้าข้ามขั้นตอนแล้วมันก็จะล้มมันจะไปไม่ถึงไหนแต่บางคนนี่เขาทำทานมามามากแล้วคือเขาไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองเขาไม่หวงเขาไม่ห่วงเขาไม่อยากได้เงินทองเขาก็ไม่ต้องทำทานก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่มีเงินที่จะทำทานอยู่เพราะเขาไม่ได้หาเงินหาทองเขาไม่สนใจกับการหาเงินหาทอง เราสนใจกับการหาความสงบกับการรักษาศีลเขาก็ไปทํารักษาศีลไปภาวนาเลยถ้าเราภาวนาแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกันเรื่องการทําบุญให้ทานแล้วเราเปลี่ยนบทบาทแล้จากจากเป็นจากนักบุญมาเป็นนักบวชก็ได้นะเวลาเป็นนักบุญมีเงินมีทองก็ต้องทําบุญไปก่อนแต่พอมาเป็นนักบวชมาภาวนาแล้วทีนี้ก็อย่ามาทําทําทานเพราะมันจะมาทําลายงานของนักบวช งานของนักบวชต้องเก็บตัวต้องอยู่ตามลาพังต้องปีกวิเวกต้องเจริญสตินั่งสมาธิไม่สังสรรค์กับใครไม่คุกคีกับใครไม่สังคมกับใครนี่คืองานของนักบวชถ้านักเป็นนักบวชแล้วออกมาสังสรรค์กับคนนั้นคนนี้ไปงานวัดนั้นวัดนี้ผ้าป่านั้นพระป่านี้อันนี้ก็ก็ <c oughs> จะไม่ได้ไปก้าวหน้าไปในใน ใ, ในงานของนักบวชก็จะกลับมาอยู่ในสถานะภาพของนักบุญ แต่อยู่ในข้าวของนักบวญก็ปนสับสนกันไปเราต้องแยกแยะว่าการเป็นพุทธของเรานี่มีอยู่สองคนเป็นนักบุญหรือเป็นนักบวชถ้านักบุญก็ทําไปเลยผ้าป่าที่ไหนก็ไปไก่มาเรี่ยไรยให้พิมพ์หนังสือก็พิมพ์อย่างนี้เรียกงานของนักบุญแต่งานของนักบวชก็ต้องไปปลียกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ไปยุ่งกับใครแล้วรักษาศีลภาวนาอย่างเดียวถึงเรียกว่าเป็นงานของนักบวช มันง่ายมันจะเดินหน้าถอยหลังพอไปภาวนาสองวันก็ออกมาไปไปทอดพระปาที่นั่นที่นี่ต่อมันก็ไปไม่ถึงไหนเดินไปข้างหน้าสองเก้าแล้วก็กลับมาถอยหลังกลับมาอีกสองเก้าต้องตัดไปนะต้องแยกแยะว่าเราตอนนี้อยู่อยู่ในสถานภาพไหนเราเป็นนักบุญหรือเป็นนักบวช <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชก็แสดงว่าเราทําบุญเต็มที่แล้ว เงินทองสมบัติเข้าของเงนินทอตงต่างๆนี้เราให้ไปหมดแล้วสละไปหมดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านเป็นนักบวชท่านออกบวชแล้วท่านไม่ไปยุ่งกับเรื่องการทําบุญแล้วแต่พวกเราชอบทั้งสองอย่างเอาอยากจะเป็นทั้งนักบุญอยากจะเป็นทั้งนักบวช <laughing> มันก็เลยได้แบบครึ่งครึงกลางๆล <laughs> เหมือนชอบทั้งร้อนชอบทั้งเย็นก็มาผสมกันฮะเหมือนก็เลยได้น้ำอุ่นไปร้อนก็ไ่ร้อนเย็นก็ไ่เย็นก็ยังเจริญสติไม่ถูกไงมันต้องอย่าไปมันต้องมีอะไรเป็นอารมณ์ยืดเหนี่ยวอย่างเดียว เจนจะใช้พุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นชีวิตของนักคารวะที่ยังต้องทำมาหากินอยู่นี้ทําไม่ได้ได้อยู่กับพุโทโธทั้งวันนี้เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องคิดเรื่องการเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้มันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็ยังจะไม่สงบมันก็จะอยังถ้ายังยังเป็นนักบุญอยู่นี่เรื่องปฏิบัตินี่อย่าไปหวังผลมากเลยคิดว่าเป็นเหมือนกับใช้ ย, ยาหมองไปก็แล้วกัน ทาไปพอพอคลายความเจ็บแสบไปบ้างแต่จะให้มันหายเนี่ยมันไม่หายหรอกแผลนะต้องต้องผ่าตัดหรือต้องใส่ทิงเจออะไรพวกนี้ถึงจะหายก็เพราะไม่มีสติไงสติควบคุมความคิดไม่ได้ไม่อยู่กับพุทโธไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ฟุ้งขึ้นมา ก็สติมีกำลังน้อยเหมือนชักกะเยอะกันเรามีคนเดียวเขามีสิบคนนี้เขาดึงลากเราไปเรื่อยกิเลสมันจะลากเราไปให้เราคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่มีสติกำลังเราไม่พอเราต้องหาพวกพวกมาเพิ่มต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆเรื่อยๆก็ต้องปริกวิเวกบ้างไปไปสร้างสติขึ้นมาบ้างเช่นวันหยุดนี้แทนที่จะไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ไปอยู่วัดบ้างไปสร้างสติขึ้นมาบ้าง เพื่อจะได้มีกำลังที่จะหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้ตอนนี้เรามันอยู่แบบครึ่งๆกลาง ๆ, ๆเรายังเป็นนักบุญแต่อยากจะเป็นนักบวชผลของนักบวชก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะเรายังติดภา ร, ระของนักบุญอยู่ยังอยากจะสังสารกับเพื่อนฝูงยังอยากร่วมทากิจกรรมทาบุญไปวัดนั้นวัดนี้ไปถวายาพ้าป่าถวาย เจดีถวายบทถวายสารากันอยู่มันก็เลยยังไปทางของนักบวชไม่ได้ถ้าจะไปทางของนักบวชจะต้องการความสงบต้องการสมาธินี่ต้องตัดการเป็นนักบุญไปถ้าถ้าทำแบบที่เป็นนักบุญแล้วได้ผลของนักบวชพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องออกจากวังอยู่ในวังไม่จะไม่ดีกว่าแล้วสุขสบายภาวานานั่งสมาธิอยู่ในวัง มันยากเวลาเราอยู่ใกล้คนใกล้เรื่องราวต่างๆมันจะดึงใจให้ออกข้างนอกไม่ดึงใจให้เข้าข้างในแต่เวลาอยู่ในที่ในสงบอย่างในป่าในเขานี่มันไม่มีเรื่องที่จะดึงใจให้ออกไปข้างนอกพอเราใช้พุโทโธดึงเข้ามามันก็เข้ามาอย่างง่ายดายคือเราต้องกำจัดศัตรูฝ่ายที่ดึงใจเราเช่นเวลาชักก็เยอะกันถ้าก็มีสิบคนเราก็ต้องพยายามลดคนของเขาให้เหลือแค่คนเดียว เขากับเราคนกับถ้าเขาคนเดียวเราคนเดียวเราก็พอจะสู้เขาได้แต่ถ้าเขาสิบคนเราคนเดียวนี่เราสู้เขาไม่ไหวถ้าก็มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระมีเรื่องราวต่างๆมันก็จะดึงใจให้ออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยๆเรามีของเรามีพุโทโธอยู่คนเดียวจะไปสู้เขาได้ยงไงนะจ้างหาเวลาไปปฏิบัติที่สมบัติตวันอยู่เนียนๆนี่ก็จะช่วย้เลยติดเเพื ใช่เราต้องอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงอย่างที่พูดเนี่ยลดลดกําลังของกิเลสให้มันน้อยลงตอนนี้ถ้าเราอยู่ใกล้แสงสีเสียงในกิเลสมันจะมีพวกเยอะแต่พอไปอยู่คนเดียวมันก็เหงาเดี๋ยวมันก็ถูกหลอกให้หาเรื่องออกมาอีกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้มีภารกิจอย่างนั้นภารกิจอย่างนี้ขึ้นมาทันที เวลาไปเที่ยวต่างประเทศสิบวันนี้ไม่มีห่วงใครเลยดั้เวลาไปอย่าไปหลงกลมันนะเวลาไปแล้วก็ตัดใจเวลาใครจะเป็นใครจะตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือมาสร้างสติมาทําใจให้สงบให้ได้คนจะเป็นคนจะตายก็เป็นได้เป็นก็ เ, เป็นตายได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องมาสร้างเรื่องขึ้นมา พอไปอยู่คนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ขึ้นมาเลย ต, ตั้งทั้งทีเมื่อก่อนนี้ร้อยปีพันปีไม่เคยห่วงก็เลยกิเลมันฉลาดนะถ้าเราไม่ละมัดระวังนี่เดี๋ยวถูกมันต้มตลอดเวลาเป็นเนื้อเปลยไปเลยเนื้อตุนเนื้อตุน เอาแล้ะนะเกินเวาลาแล้ววันนี้จะให้พอนอีกครั้งหนึ่งนะเอาวางไว้เลยกับใจยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสากังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิอ ป, ป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปณะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวทานติ อายุวันโอสุขังภาลางยอดรวม ถ, ถวายสุตงนด้ 1,900 บาทขอให้อันนี้สงของการทำหนังสือ น, นี้ให้มีดวงตาเห็นทํากันทุกคนนะ